การปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าภาวนาคือสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นการสร้างบ้านให้แก่ใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้อาศัยบ้านที่ไม่ดีเพราะเป็นบ้านชั่วคราว บ้านที่จะต้องชำรุดทรุดโทรมแล้วก็หมดสภาพไปพอบ้านเก่าหมดสภาพไปเราก็ไปหาบ้านใหม่กันบ้านใหม่แต่ละหลังที่เราหากันมาอย่างยาวนานนี้ก็เป็นบ้านแบบเดียวกันทุกบ้านคือเป็นบ้านชั่วคราว เหมือนที่อยู่อาศัยที่เราใช้กับบ้านให้กับร่างกายของเราเราไปซื้อบ้านสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ไปสักยี่สิบสามสิบปีมันก็เก่าชำรุดสุดโทรมแล้วถ้าอยู่ไปอีกยี่สิบปีมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายบ้านใหม่ บ้านใหม่ก็เหมือนกับบ้านเก่าอีกละสมมติว่าถ้าเราอยู่สองร้อยปีเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนบ้านหลายหลังด้วยกันหลังหนึ่งอาจจะอยู่ได้เพียงห้าสิบปีสังเกตไ ม, ม่บ้านหลังมีบ้านใครอยู่มีอายุห้าสิบปีบ้างเพอาะห้าสิบปีมันก็เก่าไม่ปลอดภัยอาจจะล้มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ หลังคาอาจจะรั่วหรืออาจจะพังลงมาเราจึงต้องคอยเปลี่ยนบ้านใหม่กันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสุขสบายของผู้อยู่อาศัยบ้านที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวของร่างกายเราอยู่ได้สี่ห้าสิบปี เราก็ต้องย้ายออกไปหาบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่อยู่พ่อบ้านในโลกนี้สาหรับบ้านกายของพวกเรานี้มันเป็นบ้านชั่วคราวไม่มีบ้านถาวรไม่มีบ้านที่เราสามารถจะสร้างแล้วไม่เสื่อมไม่พังอยู่ในยุคโบราณเห็นไหสร้างบ้านสร้างกรุงศรีอยุธยา สร้างกรุงสุโ ข, ขทยัยดาวอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งมันก็สุดโศมพังไปเหลือแต่ซากปรักหักพังให้เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยของใจก็เหมือนกันอะไรคือที่อยู่อาศัยของใจที่อยู่อาศัยของใจของพวกเราก็คือร่างกายของพวกเหล่านี้ ร่างกายของพวกเราก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีร้อยปีนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วพอร้อยปีมันก็สุดโทมพังไปเราก็ใจของเราก็ไปหาบ้านใหม่ก็ได้บ้านแบบเก่าอีกพอไม่รู้จักไม่รู้จักบ้านแบบที่ไม่ผุไม่พังไม่เก่า ว่าอยู่ที่ไหนไปหาแต่บ้านที่มันต้องผุต้องพังต้องเก่าพอร่างกายอันนี้ตายไปใจคือพวกเราคือใจนี่ก็จะออกจากร่างนี้ไปความจริงไม่ได้อยู่ในร่างเพียงแต่เกาะขี่ร่างนี้ไว้พอร่างนี้มันพังไป ตายไปเราซึ่งเป็นเหมือนคนขี่มา้าขี่ร่างกายคือใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ได้ร่างกายแบบอันเก่าที่ต้องผุต้องพังไปคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเชื่อไหมว่าเรานี่ เปลนร่างกายมากันไม่รู้กี่แสนน้อยกี่แสนล้านร่างกายแล้วถ้าอยากจะคํานวณก็เอาจํานวนน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดถ้าเราเอามารวมกันแล้วเนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร จะต้องมาเกิดต้องมีร่างกายกี่ร่างกายด้วยกันมาร้องไห้ถึงได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนร่างกายของพวกเราที่พวกเราเปลี่ยนกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดและจะไม่หยุดตราบใดที่เรายังไม่ได้หาบ้านที่แบบ เป็นบ้านถาวรเพราะเราต้องมีบ้านต้องมีร่างกายหรืออะไรที่มาทำเป็นที่อาศัยของเราได้รเรารู้จักเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่เป็นที่ให้เราอาศัยเราไม่รู้จักที่อยู่อาศัยที่ถาวรของใจว่ามีหรือไม่ อยู่ที่ไหนอย่าแ่าแต่เรื่องของที่ อ, อาศัยที่ถาวรเลยแม้แต่เรื่องของร่างกายเราเราก็ไม่รู้เรื่องเชื่อไหมเราไม่รู้ว่าเรามาได้ร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วเราทำไมต้องมามีร่างกายเราไม่รู้เรื่องของตัวเราเลย เรานี่เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นหน้าตาของเราคนตาบอดนี่ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของตนเองได้ไม่รู้เรื่องของเราเลยว่าเราเป็นอะไรนะเรากำลังทำอะไรกันอยู่ทำเพื่ออะไรเราทำไปตาม ความหลงตามความอยากของเราเราคิดว่าไอ้นั่นดีเราก็ไปหามันมาคิดว่าไอ้นั่นไม่ดีก็หนีมันเนี่ยเรารู้แค่นี้ชีวิตของพวกเราอยู่ที่การหาความสุขอยู่ที่การหนีความทุกข์กันโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีการของเรานี้ เป็นวิธีการที่วนอยู่ในอ่างหนีความสุขเท่าไหร่ก็หนีไม่มันก็ตามมาอยู่เรื่อยเื่อยวิ่งไล่ตามความสุขวันนี้ความทุกข์มันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆรื่อยวิ่งหาความสุขมันก็หนีเราอยู่เรื่อยเื่อยได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หนีเราเองล้ะได้ความสุขวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหายไปไหนแล้ว ดีความทุกข์วันนี้อ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาอีกนะ ว, วนอยู่ในอ่างเนี่ยพวกเราชีวิตของพวกเราเป็นเพราะเราไม่รู้เรื่องของเราว่าเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์สุขกับเราอย่างแท้จริงหรือไม่เนี่ยเรา คิดว่ามันเป็นประโยชน์สุขแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ในการหาความสุขหนีความทุกขน์นี่มันเป็นตัวทุกข์ซะเองคือร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยมันต้องใช้มัน เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเป็นเครื่องมือกำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราแต่มันกลับกลายเป็นตัวทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวหดีความทุกข์แก้ความทุกข์มากน้อยเท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดเพราะไอ้ตัวที่เราใช้มาแก้ความทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ซะเองก็คือตัวร่างกายของเราเนี่ย แล้วก็เป็นตัวที่เราไม่สามารถที่จะใช้มันไปได้อย่างถาวรเราคือใจนี้มันไม่มีอายุไขนะมันไม่มีมันอายุยืนยาวนานคือมันไม่มีวันจบวันตายเหมือนกับร่างกายแต่มันหาคู่ที่จะอยู่กับมันไปอย่างตลอดไม่ได้เสียีคู่คือร่างกาย คู่มือหรือคู่หูที่เราใช้ในการหาความสุขในการกำจัดความทุกข์ต่างๆก็คือร่างกายนี้แหละและร่างกายที่เราได้มาแต่ละร่างมันก็อยู่ไม่ได้ไปตลอดในแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาว่าร่างกายนี้ของคนนี้มีอายุขไขไม่เท่ากันนะ บางยุคเขาว่าอายุอยู่ถึงพันปีก็มีอายุอยู่ถึงหมื่นปีก็มีแต่ยุคของพวกเรานี้ร่างกายของพวกเรามันอยู่ได้แค่ร้อยปีกันเป็นส่วนเนี่ยส่วนมากหรือไม่ถึงร้อยปีโดยเฉลี่ยนี่เขาว่าเจ็ดสิบแปดสิบนะนี่คือสิ่งที่เราใช้ในการ เป็นในการหาความสุขให้กับเราในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราแต่มันก็ทำหน้าที่ได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆเจ 80, 90บดบปีแล้วมันก็ต้องตายไปเราก็ต้องไปหา ร่างกายอันใหม่เพราะเรารู้วิธีหาแต่ร่างกายแบบเดิมเราไม่รู้จักวิธีหาร่างกายหรือเครื่องมือแบบใหม่แบบที่ไม่มีวันเสื่อมแบบที่ไม่มีวันตายนานๆเราจะโชคดีได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้า ที่ได้ส่งค้นพบเครื่องมือหรือร่างกายแบบใหม่เครื่องมือที่จะใช้เป็นที่สร้างความสุขให้กับใจที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอดอ่นนา น, นานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธี าหาที่หาบ้านใหม่หาบ้านที่ไม่สุดโซมไม่เก่าบ้านที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องโยกย้ายกันไม่ต้องเปลี่ยนบ้านกันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าใจของพวกเรานี้มันไม่มีวันตายนะพวกเราเนี่ยมีของวิเศษพวกเราทุกคนเชื่อไม่ว่าเราเป็นเหมือนซูเปอร์แมน ใจของพวกเราเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีอะไรจะมาฆ่ามันได้มาทำลายมันได้ต่อให้มีระเบิดนิวเคลีย์มาถล่มใส่มันก็ทำลายพวกเราไม่ได้สิ่งที่มันทำลายก็คือบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเองก็คือร่างกายของพวกเรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีระเบิดนิวเคลียสมาถลม่มร่างกายมันก็มีระเบิดเวลาของมันถึงเวลามันก็ระเบิดมันก็ทำลายตัวมันเองอยู่ดีแต่ใจนี้ไม่เคยตายไปกับร่างกายแต่ละร่างไม่เคยตายไปกับว่าบ้านที่ไปอยู่อาศัยพอบ้านที่อยู่อาศัยพังไปใจก็ไปหาบ้านใหม่ก็ไปได้บ้านบ้านแบบเก่า บ้านที่จะต้องพังไปอยู่เรื่อยๆนานๆจะเจอคนฉลาดที่ค้นพบบ้านที่แบบไม่มีวันพังไม่มีวันเสื่อมเนี่ยบ้านที่ไม่มีวันพังวันเสื่อมพระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่านิพพานเนนิพพานคือบ้านที่ถาวรบ้านที่คู่กับที่จะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดใจของเราถาวร บ้านที่เราอยู่ต้องถาวรเราจะได้ไม่ต้องย้ายบ้านอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาย้ายบ้านแต่ละครั้งสนุกไหมลองย้ายบ้านดูนะต้องขนข้าวของขนอะไรเหน็ดเหนื่อยย้ยายได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องย้ายอีกนะย้ายให้กันอยู่เรื่อยๆสู้ได้บ้านแบบไม่ต้องย้ายไม่ดีกว่าบ้านถาวร ยบ้านถาวรของใจพระพุทธเจ้าได้ค้นพบและตั้งชื่อว่านิพพานนเี่การที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เป็นมาการเป็นการมาสร้างบ้านสร้างสร้างพระนิพพานนี้เองเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ร่ํารวยกว่าเก่าเพื่อให้อายุยืนยาวนานกว่าเก่าเพื่อให้มีความสุขมากกว่าเก่า มันทำไม่ไดนะ้ร่างกายเราไม่สามารถไปยึดอายุของมันด้วยการปฏิบัติธรรมได้ไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บห้ามไม่ให้มันตายไม่ไดนะ้การมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นการมาสร้างบ้านใหม่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ร่างกายนะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย เพราะไม่ว่าจะได้ร่างกายมากี่แสนล้านล่างมันก็ต้องผุพังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้งที่มีร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่เบื่อกับการที่จะต้องใช้บ้านแบบเก่าๆได้มากี่หลังก็ต้องต้องเก่าต้องพังไปทุกหลังเลยอยากจะได้บ้านแบบที่ไม่เก่าไม่พัง ตอนที่ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านก็เห็นร่างกายของท่านเห็นบ้านของท่านว่าอ๋อในบ้านของเราต่อไปมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องตายท่านก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วบ้านแบบนี้หาบ้านแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่าก็เลยออกบวชเนี่ยออกบวชพ่อ ได้ยินว่าพวกนักบวชนี้เขาเป็นพวกสร้างบ้านแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแต่เขาสร้างได้แบบชั่วคราวก็ยังยังไม่ได้บ้านแบบถาวรก็ยังต้องผูกบ้านที่เขาสร้างอยู่กับร่างกายของเขาอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหา บ้านแบบที่ไม่ต้องผูกไว้กับร่างกายท่านก็ในที่สุดท่านก็พบพานิพานบ้านที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือการที่เรามาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้วิธี สร้างบ้านที่ถาวรกันบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันพังเราจะได้ไม่ต้องโยกย้ายไปอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราอยู่กับบ้านหลังนี้คือร่างกายร่างนี้ต่อไปมันก็ต้องแก่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปพอมันตายไป ใจที่ขี่ร่างกายเกาะติดกับร่างกายใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆก็ต้อง อ, ออกจากร่างกายนี้ไปเหมือนคนขี่ม้าเนี่ยพอม้าที่ขี่ตายไปคนก็เลยต้องเดินขี่ไปมันไม่ไปแล้วม้ามันตายร่างกายพอมันตายตายไป ใจที่ขี่ร่างกายที่สั่งให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนก็ต้องเดินไปเองช่วงที่ไม่มีร่างกายใจก็จะไปรอหรือไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่หาหรือช่วงที่รอร่างกายอันใหม่นี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องรับผลบุญผลบาปที่ได้ทาไวในขณะที่ มีร่างกาย ừ, ขณะที่เรามีร่างกายนี้เราเราใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆบางเวลาเราก็ไปหาความสุขด้วยการกระทาบาปกัน ừ, เพราะเราไม่สามารถหาได้โดยไม่กระทำบาป ừ, แต่เราอยากได้หรืออยากทำในสิ่งที่เราอยาก เมื่อเราไม่สามารถทำโดยวิธีไม่ทำบาปได้เราก็ต้องใช้วิธีทำบาปกันคนทำไมถึงต้องลักขโมยของของคนอื่นก็เพราะว่าเขาอยากได้ของแต่เขาไม่มีปัญญาไปซื้อหรือไปหามาโดยวิธีไม่กระทำบาปเขาก็เลยเอาวิธีง่ายๆวิธีลักขโมย คอยเฝ้าดูใครเผลอของที่เขาอยากได้เขาก็คว้ามับไปเลยอ่านี่เนี่ยมีการใช้ร่างกายหาความสุขแต่หาความสุขด้วยการทำบาปมันก็เลยไปสร้างโทษให้กับใจบาปนี้เป็นโทษบางครั้งเราโชคดี เราหาความสุขต่างๆด้วยวิธีที่สุดจริตคือไม่ทำบาปโดวยวิธีหาเงินหาทองโดยการทำงานทำมาค้าขายแล้วเราโชคดีขายได้เยอะมีกำไรมากมีไรายได้มากมีมากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็แบ่งให้คนอื่นใช้บ้าง อยาให้คนที่เราลักเราชอบคนที่มีพระคุณกับเราหรือคนที่เราสงสารเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะให้เขามีความสุขบ้างเราก็เลยได้ทำบุญกันเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยในการหาความสุขด้วยร่างกายนี้เราก็จะ มีการทำบุญบ้างหรือมีการทำบาบ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราอยู่บางทีเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ดีทำมาค้าขายรุ่งเรืองไม่ต้องไปขมโมยไม่ต้องไปทำบาปแล้วยังมีเหลือเงินเอาไปทำบุญเราก็จะได้ทำบุญกัน ส่วนบางคนไม่อยู่ในเหตุการณ์หรือในสถานการณ์ที่แร้นแค้นทุกข์ยากลำบากอดอยาขาดแค้นยากจนพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คนอื่นเขามีกันแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาได้ แต่ยังอยากได้อยู่ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องไปขโมยข้าวของของคนอื่นก็เลยต้องไปทำบาปบาปกับบุญนี้มันมีมีคุณมีโทษกับจิตใจบุญนี้เป็นคุณบาปนี้เป็นโทษบุญนี้ทำให้ใจเย็นใจมีความสุขบาปนี้ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อน แล้วบุญกับบาปที่เราทำนี้มันจะสะสมไว้ในใจของเราไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่ร่างกายนี้ตายไปพอร่างกายนี้ตายไปช่วงที่ใจรอหาร่างกายอันใหม่รอรับร่างกายอันใหม่นี้ก็เป็นช่วงที่บุญกับบาปจะมาะให้คุณให้โทษกับใจ ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะทํางานก่อนบุญจะให้ผลก่อนถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะให้ผลก่อนบุญกับบาปนี้ท่านเปรียบเหมือนกับวัวควายที่จะรอออกจากคอกเนี่ยมันจะไปรอที่ประตูคอก ตัวไหนใหญ่กว่ามันมีกำลังเบียดตัวเล็กกว่าตัวใหญ่มันก็จะไปเบียดรออยู่ที่ประตูคอ ก, ก่อนพอเจ้าของเปิดคอกปับ๊บไอ้ตัวที่ใหญ่ที่มีกำลังมากกว่าตัวเล็กตัวน้อยก็ออกไปก่อนเพราะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นกันใช่ไหมมันก็ไปแย่งกันรอที่ประตูมันรู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวประตูเปิดอ่ะ บุญกับบาปก็เป็นเหมือนวัวแขวนที่อยู่ในคอกนี่แะพอเวลาร่างกายตายไปปุ๊บเหมือนก็เปิดประตูคอกเปิดให้บุญกับบาปที่เราทำเนี่ยมาแสดงผลให้กับใจของพวกเราเนี่นี่ช่วงที่เราไม่มีร่างกายเป็นช่วงที่เรารับผลบุญผลบาปกันเพราะใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเนี่ย ใจเราตอนนั้นเราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่ส่งที่รับผลบุญก็เรียกว่าเทวดาเรียกว่าสวรรค์ดวงวิญญาณที่รับผลบาปเราก็เรียกว่าอาบายหรานนาโรกเปรตอาศน์ร่กายนี้เป็นดวงวิญญาณที่กําลังรับผลบาปอยู่ เป็นดงวิญญาณที่ทุกข์ร้อนด้วยความโลภด้วยความโกรธเกียรเออด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความกลัวนั่นแหละคือช่วงที่เราไปนรกหรือไปสวรรค์กันช่วงที่เราไม่มีร่างกายถ้าอยากจะรู้ว่านารกสวรรค์เป็นยังไงเรามีหนังตัวอย่างให้เราดูเอ หนังตัวอย่างของนรกของสวรรค์คืออะไรก็คือตอนที่เรานอนหลับเนี่ยละตอนที่เรานอนหลับในร่างกายเหมือนมันตายชั่วข่าวนอนอยู่เฉยๆเหมือนคนตายเพียงแต่ยังหายใจได้เท่านั้นเองช่วงนั้นใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆได้ก็เลย เวลานอนหลับไปใช้ความฝันนี่เป็นตัวไปหาความสุขให้เวลาเรานอนหลับปั๊บเราก็ฝันไงฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างอะไรเป็นผู้ผลิตฝันดีอะไรเป็นผู้ผลิตฝันร้นนายก็คือบุญและบาปที่เราทำนี่แหละเพราะว่าความฝันมันก็เอาเหตุการณ์ที่เรา ทำในตอนที่เราตื่นนี่มาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนกับเราเวลาเราตื่นเราก็เอากล้องเนี่ยไปถ่ายวีดีโออย่างเช่วันนี้ไปทํานูน่ทนทํานี่วันนี้ไปทอดกระถิ่นที่นูน่นทอดกระถิ่นที่นี่วันนี้ไปขโมยของคนนั่นคนนี้ไปทําบาปอย่างนั้นบาปอย่างนี้เใจเรามันจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําตอนที่เราตื่นกัน พอเวลาที่ร่างกายนอนหลับมันไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้มันก็เลยต้องใช้ของที่มันได้บันทึกไว้ในใจเหตุการณ์ที่มันได้บันทึกไว้ในใจออนอนหลับถ้าเราตอนที่เราเตืน่นเราไปทำแต่ความดีทำบุญเราก็มีแต่เรื่องดีๆให้เราดู นอนหลับก็จะฝันเห็นแต่เรื่องดีดๆเห็นแล้วก็มีความสุขถ้าเราไปทำบาปนี่เราก็จะไปบันทึกภาพที่ไม่ดีภาพที่หวาดเสียวหวาดกลัวอพอเรานอนหลับมันก็มีภาพไม่ดีโผล่ขึ้นมาให้เราดูเนี่แหละคือผลของบุญของบาปมันจะแสดงตัวด้วยด้วยเป็นมโนภาพเป็นภาพที่อยู่ในใจ ใจเรานี่เหมือนกับมีจอหนังมีจอหนังแล้วบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนกับหนังที่เราได้ถ่ายไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเวลาเราทำบุญนี่เรามีแต่ถ่ายแต่เรื่องที่ดีใช่ไทำบุญมีเอาเรื่องที่ดีบรรจุไว้มีความสุขเวลาไปทำบาปไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปตีกันไปด่ากันไปว่ากันไปทะเลาะกัน ไปฆ่ากันไปแกัก่นแก้งรังแกกันไปต่อสู้กันไปสงครามอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการทำบาปทั้งนั้นอ่ะมันก็บันทึกแต่ภาพที่น่ากลัวที่ไม่ที่ไม่น่าดูพอเรานอนหลับเนี่ยร่างกายมันไม่สามารถไปหาภาพต่างๆมาให้เราดูได้ เราก็เลยต้องอาศัยภาพเก่าใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่เราดูทีวีนี้ถ้าก็มีถ่ายทอดสดเราก็ดูถ่ายทอดสดไปช่วงที่ไม่มีถ่ายทอดสดถ้าเรายังอยากจะดูเราก็ดูบันทึกดีเขาบันทึกที่เราบันทึกไว้ก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาว่างดูนอนถ่ายทอดสดเราก็สั่งให้เครื่องมันบันทึกการถ่ายทอดสดไว้พอเรามีเวลาว่างเราก็มาดู ภาพบันทึกแทนมันก็ภาพเดียวกันเนะเราจะไม่รู้หรอกว่ามันสดหรือภาพบันทึกก่อนจริงถ้าดูที่จอมันไม่รู้หรอกมันเหมือนกันเหมือนเหมือนกับบันทึกหรือเหมือนกับสดใช่ไหะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกันหรอกเราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงใช่มเวลาฝันเนี่ยเรารู้ป่าวว่าเราฝันไม่รู้หรอกจะรู้ก็ตอนที่เราตื่นแล้ว ไอ้เมื่อกี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้มารู้ตอนที่เราตื่นแต่ตอนที่เราอยู่ในความฝันนี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะนั่นแหละคือสภาพของดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ไม่มีร่างกายมันจะฝันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตยาวนานเลยเป็นหนังแท้หนังจริงเต็มเรื่องเลยส่วนตอนที่เราหลับนี่เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่าง พอเราดูได้เดี๋ยวเดียวร่างกายก็ตื่นละนอนได้ได้ดูแต่เหมือนกับดูหนังตัวอย่างแต่เวลาที่ไม่มีร่างกายจริงๆเวลาร่างกายตายเวลานั้นดวงวิญญาณของเราจะดูหนังจริงหนังยาวเลย ถ, ถ้าบา่ถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่าก็ดูบาปไปก่อนดูหนังบาปไปก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่ามันก็ดูหนังบุญไปก่อน ดูไปจนกว่าหนังบุญกับหนังบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถที่จะฉชยหนังบุญได้บาปก็ไม่สามารถที่จะฉายหนังบาปได้เวลานั้นเราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่เพื่อที่เราจะได้มีร่างกายอันใหม่เป็นตัวที่ไปถ่ายหนังให้เราดูถ่ายสด ดูหนังสดตอนนี้มีร่างกายเหมือนกับดูหนังสดเวลาไม่มีร่างกายก็ต้องดูหนังที่บันทึกเอาไว้ น, นี่คือเรื่องของใจของพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่เป็นพูดเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นปรุงแต่งก็ค้านมาเลยว่าไม่จริงเออนี่แหละ คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราช่วงที่เราตายไปร่างกายตายไปดวงวิญญาณของเราก็ไปอยู่อีกภพหนึ่งถ้าเป็นบุญพาไปก็เป็นภพของสวรรค์สุขติถ้าบาป พ, พาไปก็เป็นภพของอบายทุกขติพอบุญหรือบาปที่ดึงใจให้ไปรับผลบุญผลบาปมันมีกำลังเท่ากัน มันก็ไปทางบุญไม่ได้ไปทางบาปไม่ได้ตอนนั้นก็มารอรับร่างกายได้พอมารับร่างกายเราก็มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายใหม่อีกนี่คือวิธีการที่ใจของพวกเราหาความสุขโดยใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือแล้วในการใช้ร่างกายหาความสุขก็บางทีก็ต้องไปทําบาปบางทีก็ได้ทําบุญแล้วพอเวลาไม่มีร่างกายก็อาศัยบุญและบาปเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนหรือหาความทุกข์แทนนี่คือเรื่องของเราที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายเราตายไปเนี่ยเดี๋ยวใจของเราก็ไปดูหนังยาวหนังหนังหนังที่สุขหรือหนังที่ทุกเนี่ยก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ดูบรรยากามันจะจบือเจ้าดูจนกว่าบาปมันหมดกำลังบุญมันหมดกำลังที่จะฉายหนังให้เราดูเราก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่ ไปเกิดมาเองแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมอีกแบบเก่าอีกกลับมาหาความสุขด้วยวิธีทำบา บ, บ้างไม่ทำบา บ, บ้างถ้าได้หามาได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้ก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้ทำบุญเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตของพวกเราดวงใจของพวกเรามีการ เวียนว่ายตายเกิดมีการทำบุญทำบาปกันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องการทำบุญทำบาปก็อยู่กับสภาวะของชีวิตของเราถ้าเราอยู่ในยุคที่เราร่ำรวยเราก็ได้ทำบุญไม่ต้องทำบาปถ้าเราอยู่ในยุคที่แลนแค้นยากจนเราก็มักจะต้องทำบาปไม่ได้ทำบุญกัน แล้วพอเราตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้ hey, นี่ไม่ใช่วิธีหาความสุขหาที่พึ่งหาที่อยู่อาศัยกันมีแต่หาความทุกข์หาแต่เรื่องปวดหัวตลอดเวลาเพราะบ้านที่เราได้มันก็ต้องคอยซ่อมอยู่เรื่อย คอยดูแลรักษามันอยู่เรื่อยๆสู้หาบ้านแบบที่ไม่ต้องดูแลรักษาบ้านแบบที่ไม่เก่าไม่เสื่อมไม่ทุดไม่โทมไม่ผุไม่พังดีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนหาบ้านคือพระนิพพานบ้านที่ไม่มีวันเก่าไม่มีวันพังบ้านที่ให้ความสุขตลอดเวลาไปโดยไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่ใจไม่มีวันสิ้นสุดพราณิพานก็ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือใจของพวกเราใจของพวกเราเป็นของที่แสนวิเศษเป็นของที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแต่เรากลับไปหาของที่ไม่ดีมามามาผูกไว้กับใจคือมาหาร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมา จับคู่กับใจเป็นเหมือนสามีภรรยากันพ อ, อร่างกายแก่เจ็บตายใจก็เลยต้องทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกครั้งเออพราะใจไม่อยากสูญเสียร่างกายออที่ได้มาเออพราะใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจนั่นเองเออพระพุทธเจ้าบอกว่า เราได้พบเครื่องมืออันใหม่ที่ดีกว่าร่างกายที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายที่จะอยู่กับใจเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดของใจก็คือพาณิพานภาณิพานนี่คืออะไรพาณิพานก็คือความสงบนี่เองความสงบของใจที่เราไม่เคยเจอกันชีวิตของเราเกิดมาไม่รู้ว่ากี่แสนล้านชาตินะ ไม่เคยเจอควาว่าสงบเลยใจของเราไม่เคยสงบเลยใจของเรานี่ทำงานตลอดยีบสี่ชั่วโมงเจ็ดนะวันเจ็ดคืนต่ออาทิตย์สามสิบสามสวันต่อเดือนสามรอยหกสิบห้าปีสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รู้จักความสงบว่าเป็นยังไงนาะนจะมาเจอคนฉลาดที่ ลองคิดลองหาลองค้นคว้าลองทดลองดูก็เลยไปเจอความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, พอได้หยุดความคิดทั้นนั้นใจก็นิ่งสงบแล้วก็ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายตอนต้นก็ได้แบบชั่วคราวคือสงบแบบชั่วคราว เวลานั่งสมาธิใจก็สงบหยุดความคิดได้ด้วยสติก็สงบแต่พอออกจากสมาธิมาปล่อยให้ใจคิดเพราะใจต้องไปทำงานทำหน้าที่ดูแลร่างกายดูแลสิ่งของต่างๆก็ต้องใช้ความคิดพอใช้ความคิดความคิดมันก็เลยทำให้ความสงบหายไปเพราะเป็นความคิดที่ มีความรักชังกลัวหลงเป็นผู้ผักดันนั่นเองคิดถึงเรื่องนั้นก็รักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างไม่ได้คิดแบบเฉยเฉยคิดแบบเฉยเฉยตามเหตุผลตามความเป็นจริงเห็นอะไรชอบก็รักเห็นอะไรไม่ชอบก็ชงังเห็นอะไรที่น่ากลัวก็กลัวขึ้นมาเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็หลง ไม่เห็นไม่รู้ว่าของที่เห็นมันมันไม่ดีกลับไปเห็นว่ามันดีก็เรียกว่าหลงนี่คือใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาความรักชังโกหลงที่ถูกหยุดไว้มันก็กลับมาทำงานใหม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับใจใหม่พระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ค้นพบว่า อะไรที่ทำให้ใจยังทุกยังไม่สงบเวลาที่ใช้ความคิดเพราะคิดไปในทางความรักชังกลัวหลงยานต้องสอนใจให้หยุดคิดไปในทางความรักชังกลัวหลงโดยให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชางังไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่าหลงถ้้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มาเห็น เราจะรู้ว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟเนทะ่านั้นแหะของต่างๆที่มีในโลกนี้มันทํามาจากดินน้ำนมไฟเอไม่มีนะดินน้ำนมไฟมันน่ารักน่าชังน่ากลัวน่าหลงไหมไม่มีเห็นน้ําก็เราก็เฉยเฉยเห็นดินแล้วก็เฉยเฉยเห็นไฟแล้วก็เฉยเฉยไม่มีถ้าเราเห็นความจริงว่าของต่างๆที่เรามา มาพบปะมาสัมผัสมาครอบครองนี่มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟนนเองทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเราไม่มีความรักชังอะเวลามันจะหมดเราก็ไม่เดือดร้อนหมดก็หมดไปเราไม่ได้ไปรักไปชอบมันถ้าเราไม่ไปชังเราก็ไม่มีอะไรกับมัน ถึงแม้มันจะร้ายแรงขนาดไหนมันก็ทําลายได้ก็เพียงแต่ดินน้ํานมไฟด้วยกันก็คือร่างกายของเราเลยร่างกายของเรามันก็ดินน้ํานมไฟเหมือนกันอะไรมาทำร้ายมันก็ทำร้ายที่ดินน้ํานมไฟมันไม่ได้มาทำร้ายที่ตัวเราตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้มันไม่มีอะไรแตะต้องได้ดินน้ํานมไฟไม่สามารถมาทําลายใจได้ะ เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายได้เหมือนกับไม่มีอะไรที่สามารถทำลายดินน้ำลมไฟได้ดินน้ำลม ไ, ไ, ไฟนี้ไม่มีอะไรที่จะทำลายมันได้แต่ดินน้ำลมไฟมันมารวมกันได้เวลามันมารวมกันก็ทำให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมพอฝนตกลงมาน้ำตกลงมาในดินพอดินกับน้ำผสมกัน มีไฟมีความร้อนพอสมควรไม่หนาวเกินจนเป็นหิมะเอแล้วก็ไม่ร้อนจนเป็นเป็นเป็นทะเลทรายเราก็มีต้นไม้กันเมรร่างกายของมนุษย์กันมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วก็มีใจมากเกาะมาขี่ร่างกายนี้ไม่มีอะไรทำลายใจได้ ไม่มีอะไรทำลายดินน้ำลมไฟได้ดินน้ำลมไฟมันเพียงแต่มารวมตัวกันนะเดี๋ยวมันก็แยกตัวออกจากกันเดี๋ยวร่างกายของเราเนี้ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟเดี๋ยวถึงเวลามันก็แยกตัวออกจากกันน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปกลับไปสู่ต้นสังกัดพูดง่ายๆน้ำก็กลับไปหาน้ำ นะมันก็ระเหยอขึ้นท้องฟ้ากันทั้งนั้นเนี่ยพอมันขึ้นท้องฟ้ามันก็รวมรวมตัวจับเป็นเมฆกันใ่จับตัวเป็นเมฆแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเป็นน้ำลงไปในน้ำทะเลเป็นอยู่ในทะเลอยู่ในลาธารลาห้วยต่างๆดินมันก็กลับไปอยู่กับดินเห็นไม่ร่างกายพอเราเผาเหรือแต่ขี้เถ้าเนี่ยเราก็ไปลอยในทะเลมันก็ตกตะกอนลงไปอยู่ลงไปพื้นดินข้างล่าง หรือเราไปฝังมันก็กลายเป็นดินไปทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปกลัวอะไรนี้พอเราไม่มีความรู้เราก็ไปตูเอาว่า น, นั่นเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราพอมี ตัวเราของเราก็มีความรักความชางังความกลัวความหลงแล้วอะไรที่จะมาทําลายร่างกายเราก็กลัวมันนะอะไรที่เราอหลงคิดว่าดีเราคิดว่าดีเราก็หลงแล้วเพราะว่ามันไม่ดีอะไรที่เราคิดว่าไม่ดีเราก็หลงแล้วเพราะว่ามันไม่มันเฉยเฉยมันเป็นกลางๆลามันไม่ดีไม่ชั่วแต่เราไปหลงเอง ไปลักไปชังมันเองด้วยความหลงของเราถ้าเรามีความรู้ว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราไม่ไปลักไปชังไปกลัวมันหลงหรอกถึงแม้ตอนนี้มันจะเป็นร่างกายแต่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ดร่างกายของคนทุกคนไปไหนเเวลามันหยุดลมพอหยุดลมหายใจปั๊บลมมันก็ออกจากร่างไปก่อนแล้วใช่ไหมนี่สมาชิกคนแรกที่ลาออกจาก บริษัทนี้ก็คือลมขอลาออกก่อนแล้วสมาชิกที่สองก็คือไฟไปแล้วะความร้อนในร่างกายเป็นไงคนตายลองไปจับตัวดูเลยธาตุไฟไปแล้วธาตุลมไปก่อนแล้วก็ธาตุไฟเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวธาตุน้ําก็ไหลออกมาจากร่างกายแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่ธาตุดินเออ เนี่ยเป็นการรวมตัวของบริษัทหุ้นส่วนหุ้นส่วนสี่สี่หุ้นด้วยกันเคยดินน้ำลมไฟเนีส่วนของต่างๆที่ผลิตมานี้ก็มีหุ้นส่วนสี่หุ้นนี่แหละมีปริมาณมากน้อยต่างกันบางอย่างก็มีน้ำมากบางอย่างก็มีน้ำน้อยบางอย่างก็มีดินมากแล้วแต่สินค้าต่างๆที่เราทําใช้อยู่นี่มันก็เป็น ผลิตมาจากดินน้ำนมไฟยนังน่งนั้นเวลาจะผลิตสินค้าต่างๆมันมักจะต้องมีอความร้อนมาหลอมโลหะโลหะก็เป็นดินใช่ไหมมาเอาความร้อนมาหลอมเพื่อจะได้มาหล่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเอเป็นพลาสติกเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ต้องมีความร้อนอแล้วก็ต้องมีอน้ําส่วนของน้าผสมเข้าไปน้ํายงน้ํายาอะไรต่างๆเมัน มันประกอบมาจากดินน้ํำลมไฟทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันพังมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟของต่างๆมันไปไหนหลุมขยะใช่ไหยเต็ไมไปหมดเนี่ยถุงพลาสะติกพลาสะติกนี่ล้นโลกนะออมันมาจากดินน้ำลมไฟมันเกิดจากการผลิตของพวกเราเนี่ยของที่เราผลิตเนี่ยมันมันกลับเกินสู่ต้นสังกัดยากมันถึงเป็นปัญหาะ ไม่เหมือนกับของที่ธรรมชาติผลิตนี่มันกลับเข้าหาสังกัดเร็วสมัยก่อนเราไม่มีพวกพลาสติกไม่มีพวกโลหะเนี่ยเรามีแต่ของธรรมชาติทั้งนั้นสมัยก่อนเวลาเราจะห่อข้าวเราใช้อะไรใ ช, ใใชใ้ใบตองใช้ใบตองห่อข้าวใบตองใช้เสร็จทิ้งไปวันสองวันมันก็แยกตัวสลายตัวกลับซืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอย่างรวดเร็วนะ แต่สมัยนี้เรามาผลิตของกันขึ้นมามันเป็นของที่เราผลิตนี่มันมันกลับคืนสู่ที่เดิมยากมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะมันมีมนตพิษมันผลิตลมพิษให้กับพวกเราได้สู่กันได้ดมกันมันทำให้น้ำของเราที่ดื่มนี่เป็นน้ำพิษกันไปนี่คือปัญหาของ พวกเราที่เรามาเล่นกับดินน้ำนมไฟแบบไม่ฉลาดเล่นตามเล่นดินน้ำนมไฟตามความอยากของเราไม่คำนึงถึงโทษที่จะตามมาจากการที่เรามาผลิตของต่างๆนี้ขึ้นมาว่าเรากำลังมาทำลายระบบนิเวศ ร, ระบบของดินน้ำนมไฟเรามาสร้างควันพิษกันเรามาทำให้น้ำของเรา อ่าสกรปรกเนีเพราะเราทิ้งของสกรปรกลงไปในน้ำํำเราทําให้อากาศเป็นพิษทําให้ดินของเราเป็นพิษเอาของที่เป็นอันตรายฝังไปในดินดินที่เราฝังตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้ทําการเกษตรทําอะไรไม่ได้ลมก็เป็นพิษน้ําก็เป็นพิษเมีแต่ไฟที่มันก็ยังเป็นไฟอยู่ท่านั้น มก็คือความร้อนอ น, นี่คือการใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟพอเราเห็นว่าเป็นดินน้ำลมฝอเราก็ไม่รู้จะไปลากไปชังไปกลัวไปหลงทาไม พอจะโกรธคนนี้ก็กำลังโกรธใครวะโกรธดินนา้าโกรธดินหรือโกรธนา้าหรือโกรธลมหรือโกรธโกรธไฟ mm hmm. ก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นดินน้ามลมไฟเราก็จะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ เ, เพราะว่าได้มามันก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราวิเศษขึ้นแต่อย่างใด กลับมาสร้างภาระให้กับใจของเราใจของเราต้องมาดูแลบริหารจัดการถ้าใจเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงอะไรกับใครใจของเราก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาเป็นพระนิพพานขึ้นมาด้วยการ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นอนัตตานั่นเองสัพเพธรมาอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นธรรมมาจากดินน้ำลมไฟก็เลยไม่ไปสนใจไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะไปเด่นกับดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความปวดหัวเพราะดินน้ำลมไฟมันก็ดินไปดินมา เราไปควบคุมไปบังคับให้มันเป็นตามที่เราต้องการไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายไปจับมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็หนีไปนั่นเราไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าเรามาอยู่ที่ความสงบอยู่เฉยๆดีกว่าเท่านั้นเองอยู่เฉยๆไม่ต้องไปอยากได้อะไรไม่ต้องไปอยากมีอะไรไม่ต้องไปอยากเป็นอะไรไม่ต้องไปอยากมีร่างกายไป ไปมีร่างกายก็ไปยุ่งกับธาตุสี่แล้วเนี่ยแล้วพยายามบริหารร่างกายเป็นไงบริหารมันได้ไหมจัดการมันได้ไหมเดี๋ยวมันก็แยกตัวกันอยู่ดีเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็สรุปลงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าไปบริหารมันจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่า ถ้าพยายามจะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราตามความอยากของเรามันจะทําให้เราทุกข์นะแล้วมันจะทําให้เราต้องคอยไปเล่นกับมันอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้พังไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเล่นต่อมาบริหารจัดการต่อบริหารมาไม่รู้กี่แสนล่างแล้วก็ยังต้องบริหารไปอยู่เรื่อยๆเพราะเรา สนุกกับมันเราเวลามีร่างกายเรารู้สึกสนุกไหมคึกคักไมแต่แต่มีร่างกายพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขอะไรต่างๆแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรที่ไม่ได้ทําให้เราอิ่มเราพอหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่หาไปจนร่างกายหาไม่ได้ก็ไปรอหาร่างกายไปรับร่างกายอันใหม่มาหาใหม่ แต่พอเราได้มาพบกับความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดจากการฝึกสติบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็เกิดจากการมีปัญญามองเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผสมกันแล้วก็แยกออกจากกันมารวมตัวกันตั้งบริษัทอยู่ได้พักหนึ่งก็ ก็แจ้งน้มละลายถ้าเราไปเล่นกับมันก็ขาดทุนทุกกับมันทุกทีเวลามันตั้งบริษัทก็ดีใจโอ้มีบริษัทเดี๋ยวพอมันน้มละลายขึ้นมาก็เอเสียหอกเสียใจร้องห่มร้องไห้มีเท่านี้เนียถ้าเราเห็นว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรวมตัวและเป็นการแยกตัวของดินน้ําลมไฟที่เราไม่สามารถที่จะไป บริหารจัดการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็เลิกเลิกยุ่งกับเดินน้ําลมไฟเลิกเลิกเลิกยุ่งกับร่างกายเลิกมีร่างกายอยู่กับความสงบก็พอเพราะความสงบให้ความสุขให้ความอิ่มความพอมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายที่ไม่มีเคยให้ความอิ่มความพอกับเราพอเราเห็นความจริงจากการปฏิบัติแล้วทีนี้ เราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรเราก็หยุดความอยากเลิกเลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียว<ะ>เราก็แก้ปัญหาของเราได้เราก็ได้บ้านถาวรขึ้นมาบ้านถาวรของเราก็คือความสงบของใจนี่ที่เกิดจากการสร้างสองขั้นด้วยกันสร้างด้วยสติแล้วก็ รักษาด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาบ้านที่เราสร้างถึงแม้จะเป็นบ้านที่สงบแต่มันก็ยังเสื่อมได้ยังหมดได้ถ้าอยากจะให้บ้านคือความสงบนี้ไม่เสื่อมไม่หมดเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกําจัดตัวที่มาทําลายความสงบตัวที่มากําจัดมาทําลายความสงบก็คือตัวความหลงนี้ตัวตัวไม่รู้ความจริงว่าเออ สิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟสิ่งต่างๆที่เราไปลักไปชังไปกลัวไปหลงนี่มันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟได้มาเท่าไหร่หรือเสียไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เสียเสียเวลาเปล่าๆอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆสพเพ สังขารานิจาร์สิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวลามันหมดมันเวลามันรวมตัวก็ดีใจเวลามันแยกตัวก็เสียใจมันเป็นอนัตตามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มันไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันรวมตัวกันไปได้อย่างถาวรให้เจริญไปอย่างเดียวไม่ได้ พวกนี้มันรวมตัวกันมันก็จเจริญพอมันแยกตัวออกจากกันมันก็เสื่อมพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลิกยุ่งกับดินน้ํหลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ํำลมไฟอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวอยู่กับพุทโธพุทโธเวลาใจไปอยากได้นู่นได้นี่ก็พุทโธหยุดมันเสียหยุดความอยากอย่าไปทาตามความอยาก ถ้าเราหยุดความถ้าทำใจให้สงบได้เราก็หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากต่อไปความอยากที่จะมาคอยคอยทำลายความสงบก็หายไปหมดพอไม่มีอะไรมาทำลายความสงบของสมาธิความสงบของสมาธิก็กลายเป็นความสงบของนิพพานขึ้นมาเป็นนิ บ, บานังปรมังสุขขังขึ้นมาอ น, นี่แหละ คือบ้านใหม่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาสร้างกันด้วยการเลิกใช้ร่างกายเนี่ยมาบวชนี่มาอยู่แบบนักบวชนี่เป็นการเลิกใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็เอามาสร้างความสุขแบบใหม่มาสร้างบ้านแบบใหม่ด้วยการฝึกสติทำใจให้สงบแล้วก็ศึกษาให้เกิดปัญญา เพื่อที่จะได้คอยกาจัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบที่เราได้จากการด้วยจากการใช้สติสร้างขึ้นมาต่อไปความสงบแบบชั่วคราวก็จะกลายเป็นความสงบอย่างถาวรต่อไปแล้วเราก็จะได้บ้านสมบูรณ์บ้านที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันพังไม่มีวันหมดเราก็จะได้ไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรา ทำกันอยู่ในขณะนี้ที่เราต้องย้ายกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักบ้านที่ถาวรเป็นอย่างไรนานๆเราจะได้มาเจอคนที่รู้วิธีสร้างบ้านอย่างถาวรสักครั้งหนึ่งการที่เราได้มาเจอคนที่รู้วิธีสร้างบ้านอย่างถาวร น, นี้ถือว่าเป็นโชคอย่างมหาศาลเพราะมันยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง การที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายยากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันฉันถือว่าเราโชคดีเราถูกลอตเตอรี่แล้วตอนนี้เราไปขึ้นรางวัลกันไปทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างความสงบในใจของเราขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป การแสดงสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปกกะปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสเมชาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าเลิกแล้วก็งดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบเจ็ดยทสองร้อยเก้าสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สิบหกรับฟังข้างบนนี้สามสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดครับ ธรรมศาสการทพอาจารย์คือว่าโยมนะครับ ม, มีมีแม่นะคะแม่ท่านชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบออกไปข้างนอกเพื่อปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็แต่ว่าบางทีเนี่ยคือโยมก็เป็นก็ทํางานแต่ท่านนบางทีท่านมีงานอะไรอย่างเงี้ยท่านชอบบอกฉุกเฉินแล้วเราปฏิเสธท่านเพราะเรามีงานของเราอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเรารู้สึกไม่สบายใจตรงนี้เราบาปไหมคะถ้าเราปฏิเสธ เราไปปฏิเสธทำไมถ้าท่านจะไปก็ปล่อยทั้นไปเลยคือแต่ว่าท่านก็แบบเหมือนกับว่าให้เราพาท่านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็<บ>ถ้าเราไม่ว่างก็ไม่ไมก็ไม่ว่างก็บอกไม่ว่างไม่บาปตรงไห น, นอ๋อเพราะโยมแต่ทําทําปฏิเสธเพราะไม่อยากทํานี้ก็อาจจะอาจจะเป็นกิเลสนะฮะแต่ถ้าปฏิเสธเพราะว่าช่วยท่านไม่ได้จริงๆเพราะตอนนี้ติดธุรกิจสําคัญอืจะเกิดความเสียหาย หรือว่าถ้าเราอยากจะทำบุญก็ยอมรับความเสียหายจากธุรกิจแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกการรับใช้คนอื่นก็เป็นบุญอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาจะเอาบุญดีหรือจะเอาเงินดีแต่ว่าท่านบอกว่าบ่อยมากที่เป็นแบบนี้คือท่านชอบพูดก็นั่นแหละพระเวสสันดรถึงเกิดขึ้นได้เพราะต้องเจอแบบนี้อยากเป็นพระเวสหรือเปล่าโอเค พรบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคแล้วเราจะมีพลังส่งให้เขาได้รึเปไม่มีไม่ไม่มีพลังต้องเจอกันจะไปส่งไงได้ไงอไม่ตามไม่ได้ส่งทางจิตใจมันส่งทางปฏิบัติทางเจอกันเวลาพบปะกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยแม่เขาจะไปทําบุญไม่ไปกับเขาเนี่ยก็ไม่เมตตาแล้วไงนันตามไม่ เวลาสวดสวดใหญ่เลยสับเพสัตตาขอให้แม่มีความสุขพอแม่ขอให้พาไปวัดหน่อยยุ่งไม่ว่างขึ้นมาทันทีไม่เมตตาแล้วนะเ <c oughs> ข้าใจไหมครับคำถามภาษาไทยครับจากคุณแคทถ้าเราต้องการทอดกระถินที่ทำให้พระไม่ลำบาก เราสามารถใช้ผ้ากรถินที่ตัดเย็บย้อมสีที่ถูกต้องตามวินัยแทนผ้ากรถินพับสีขาวได้ไหมครับและการทอดกรถินอย่างไรถึงจะถูกต้องครับตามหลักครับตามหลักก็ต้องผ้าขาวนะพระต้องเอาไปตัดเย็บเองมีมีมีประโยชน์หลายอย่างสําหรับพระพระจะได้รู้จักวิธีตัดเย็บผ้าจีวรของตนจะได้ไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาตัดเย็บให้เอันนี้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรง พระป่านี่ท่านจะรู้จักตัดเย็บจีวรของท่านรู้จักซักย้อมจีวรของท่านนะเพราะว่านี่เป็นเป็นหน้าที่ของพระนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุกยาาแต่อย่างใดถ้าอยากจะถวายกระถินก็ต้องทำไปตามพระวินัยบัญญัตินี่ต้องมีพระอยู่จามพรรษาห้ารูปแล้วก็พระที่ถวายก็ต้องเป็นพระขาว เราก็ต้องให้พ้าตัดเย็บกันให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อจะได้เสริมความเพียรไม่ให้ขี้เกียจพอรับผ้ามาแล้วต้องรีบไปตัดให้มันเสร็จจะได้หมดภาระไปหมดทุเละไปแม้ น, นถ้ทิ้งไว้เดี๋ยวยืดเยื้อผัดวันประกันพรุ่งแล้วจะได้มีความสามาัคคีเพราะพระที่อยู่ร่วมกันถึงแม้จะทะเลาะกันก็ต้องมาช่วยกันนะต้องมาช่วยตัดผ้าเย็บให้เสร็จเพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ ในการตัดผ้าเย็บผ้าผืนนั้นให้เสร็จเรียบร้อยเพราะจะต้องมามาอนุโมทนากันอีกครั้งหนึ่งถึงจะเสร็จภารกิจของผ้ากถินคำถามจากคุณจินคอบเมื่อเห็นรูปเป็นธาตุแล้วนามควรเห็นและพิจารณาอย่างไรครับนามก็เป็นเพียงแต่สมมุติที่เราไปผูกไว้กับธาตุนั่นเองเราไปว่าธาตุนี้เป็นผู้หญิงธาตุนี้เป็นผู้ชาย ธาตุนี้เป็นเด็กธาตุนี้เป็นผู้ใหญ่ธาตุนี้เป็นฝรั่งธาตุนี้เป็นคนไทยมันก็เป็นเพลงแต่เอาป้ายไปปะไว้ที่ธาตุนั่นเองมันก็ยังเป็นธาตุอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังเป็นเลนน้ำนมไฟอยู่เหมือนเดิมต้องมาแก้ที่นามอีกทีว่าอย่าไปหลงกับสมมุติต่างๆที่นามเราไปปะไว้ที่ธาตุมองที่รเหนเปลี่ยนธาตุจากเป็นหญิงเป็นชายให้เป็นธาตุไปให้หมด เห็นใครก็เป็นธาตุไปหมดดินน้ำลมไฟไปหมดเนี่ยอนนี้จังไปหมดคำถามจากคุณอองเวลาที่ผมนั่งสมาธิพอเวลาเอาขาขวามาทับขาซ้ายขาขวาชอบชาครับต้องแก้อย่างไรครับก็นั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งก็เอาวิธีอื่นนั่งวิธีอื่นไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามได้ไปทําบุญกรถินมีต้นกรถินแต่ไม่ได้กล่าวคําถวายแต่ได้มอบต้นกรถินนั้นให้พระแล้วจะถือว่าได้ทําบุญกรถินไหมครับไม่รู้ต้นกรถินเป็นไงแล้วก็ไม่เคยเห็นนี่มีต้นกระถินด้วยอไหมต้นกรถนินแบบต้นไม้ที่เขาเสียบเงินไว้แล้วป่าที่เอาเอากล้วยมาแล้วก็เอาเงินใส่เป็นเหมือนธงเนี่ยปะติดไว้อย่างงั้นหรือเปล่า ก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้นเองคือการถินที่แท้จริงก็คือเนี่ยถวายผ้ากับถวายบริวารบริวารก็บาทจีวะบา ท, บ, าทบริคารอะไรต่างๆหรือเงินทองไว้สําหรับ mm. อปฏิป ฏ, อป ฏ, อป ฏ, อปฏิอะไรเพื่อที่จะบํารุงรักษาถาวรวัตถุต่างๆเท่านั้นเองถ้าเราฝากให้เขาไปหรือไปเองก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกัน คำถามจากคุณอนันต์การปล่อยวางให้พ้นทุกข์เราต้องสละความสุขเพื่อจะไม่ทุกข์ด้วยหรือไม่ครับเพราะเมื่อหวังความสุขไม่ได้ดังหวังเพราะเมื่อหวังสุขไม่ได้ดังหวังมันก็ทุกข์ครับไม่ใช่หรอกให้เราทิ้งสุขที่เป็นทุกข์เรามาหาสุขที่ไม่เป็นไม่เป็นทุกข์สุขที่เราหาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นสุขที่เป็นทุกข์ให้ม า, หาสุขที่ไม่ทุกข์คือสุขที่เกิดจากความสงบะ มานั่งสมาธิแทนที่จะไปดูหนังก็มานั่งสมาธิแทนที่ไปดื่มกาแฟากินขนมก็มานั่งสมาธิเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่คำถามจากคุณบังเอิญไม่มีในโลกดูลมอย่างเดียวไม่มีคำบริกรรม เวลาทำงานแล้วคิดฟุ้งซ่านใช้ดูลมดึงสติกลับมาได้ไหมครับแล้วโฟกัสกับงานต่อครับก็ลองทำดูสิของนี้ต้องทดลองต้องพิสูจน์เอาเองมาถามลองทำไมทำไมไม่ทำดูล่ะจะได้รู้ทำได้หรือไม่ได้ของง่ายๆแค่นี้ต้องไปเสียเวลาถามคนอื่นทาไมของใกล้ตัวเราทำเลยแล้วดูสิว่าทาได้หรือเปล่าทำไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าทำไม่ได้ ทำได้ก็จะจะได้รู้ว่าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การพิสูจน์สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นทำเลยเนี่ยเหมือนกับเห็นด้วยตาของตัวเองเลยไม่ต้องไปคอยถามคนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่ในเมื่อเราสามารถพิสูจน์เองได้ทาไมเราต้องไปถามคนอื่นทาไมนั้นกะ็นะก็ขอให้เราถ้าเรา อยากจะรู้ว่าวิธีนี้เป็นยังไงก็ลองทําดูแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงเหมือนอาหารเนี่ยอาหารจานนี้อร่อยไหมลองกินดูที่มาถามคนอื่นทําไมถามคนอื่นก็ยังเป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนี่ยพอชิมแล้วไม่ต้องไปถามใครรู้แล้วอร่อยหรือไม่อร่อยหมดแล้วแหละก็มาคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม เมื่อมีความฝันอย่างที่พระอาจารย์ได้เทศเอาไว้แต่เมื่อฝันแล้วสามารถบังคับให้เข้าสู่ความสงบได้ความฝันต่างๆนั้นหายไปได้เช่นไรครับไม่ได้หรอกนอกจากเราตื่นไงหรืออแล้เกิดมีสติขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่มันมันมันไม่มีหรอกตอนที่มันนอนหลับฝันมันไม่มีสติที่จะควบคุมความฝันได้มันจะควบคุมได้ก็ตอนที่ได้สติกับขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมา คำถามจากคุณอภิชยาเมื่อนอนแปลกที่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาแต่ก็ยังนอนไม่หลับเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆก็คิดไปต่างๆควรทำอย่างไรดีครับก็สวดมนต์สวดพระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแทนสวดอรหังสัมมาสุสวาคาโตสุปฏิปันโนสมัยเด็กๆแล้วก็เคยเป็น ไปอยู่ที่น่ากลัวไม่รู้จะทำไงสวดบนสวดพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจก็สงบดับไปไม่หายกลัวคำถามจากคุณกุหลาบพอเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเองยิ้มครับรู้ก็รู้ไป่ท่านจะมาบอกเราทำไม <laughs> ไม่มีอะไรจะถาม <laughs> หมดแล้วใช่ไหม โอเคหมดแล้วก็พอลวขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน